นคือรายการเปิดธรรมที่ถูกปิดภาคออนไลน์เอพิโซดที่95ครับวันนี้คุณหมอรัพพงศ์ได้แบ่งปันประสบการณ์เรื่องของการไปปฏิบัติธรรมแล้วเราก็ได้พูดถึงความเข้มงวดอย่างสม่ำเสมอในในธรรมะวันไห น, นี้ยังรวมถึงเรื่องของการรับรู้รอบรู้คือการยอมรับเรื่องทุกข์ด้วยรายการเปิดธรรมที่ถูกปิดภาคออนไลน์อาตมาพระไพบูลก็มาพร้อมกคุณหมอรัพพงศ์ กรา บ, บน้อมสกา ร, รกราบกับผมทันตแพทย์นัฐธพงศ์กระกวิรุณครับคุณหมอรัฐพงศ์ได้มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดันไทโสกครับริ้เลนท์อคอร์สล่าสุดครับเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังบ้างสิครับคือต้องบอกว่าเป็นความอิ่มอกอิ่มใจอย่างมากนะครับก็คือในส่วนของตัวเองก็สามารถที่จะมีโอกาสที่จะพักกายพักใจนะครับัอออนอานิสงส์งจากการปฏิบัติมา ก, มากๆทีเดียวนะครับ คือในคราวนี้ได้พาลูกชายไปด้วยนะครับก็เห็นประโยชน์เห็นประโยชน์แล้วก็ลูกชายก็ได้อะไรเยอะนะครับกรับมาก็เขาก็มีความที่ภาคภูมิใจว่าสามารถทําได้นะครับอาจจะไม่เท่ากับผู้ใหญ่แต่ว่าก็ได้ผ่านคือได้มีการที่ฝึกปฏิบัติที่เป็นรูปแบบบ้างอย่างเงี้ยนะได้เห็นนะครับแต่ที่อยากจะมีการแบ่งปันด้วยก็คือในส่วนของผู้ปฏิบัติท่านอื่น ที่หลังจากครบคอสแล้วเนี่ยได้เปิดวาจาคุยกันได้คือมีความประทับใจในผู้ปฏิบัติท่านหนึ่งนะครับอายุไม่ได้มากนะฮะยี่สิบกว่ า, วาเป็นวัยรุ่นเพิ่งเพิ่งจบการศึกษาคือสามารถมีการภาวนาที่ดีแล้วกเ็เธอเล่าว่าก่อนที่จะมาเนี่ยอุปสรรคก็คือว่าพ่อแม่ไม่ไม่ได้ให้มาก่อนนั้นพ่อเป็นลูกสาวคนเดียวนะครับ แต่ก็ใช้วิธีว่าชวนพ่อแม่มาปฏิบัติธรรมนะครับคือพ่อแม่ตอนแรกก็ไม่ไม่ได้สนใจในทางธรรมะหรือเข้าวัดแต่ชวนพ่อแม่เข้าวัดแล้วก็ได้มีโอกาสมาหลีกเล่นที่วัดป่าดอนไหโซก่อ น, นอ๋อคือให้พ่อแม่มาก่อนใช่ครับอ๋อเออข้าตาเนาะครับเพราะว่าพ่อแม่คงห่วงว่าโอ้มาวัดป่าอุดรจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยบ้านนอกหรือเปล่ากินอยู่ยังไงฟังอะไรบ้างพระสอนอะไร อ้าสงสัยมากให้พ่อแม่มาสัก่อนพ่อแม่มาเลยอเป็นกุศโลบายที่ดีเนาะทวดผเนาะใช่ครับโอ้ประทับประทับใจแล้วก็หลังจากพ่อแม่กลับกลับมาแล้วพ่อแม่ก็กินดีที่ใช่ลูกสาวไปเพราะว่าก็มั่นใจเรื่องความปลอดภัยของทางวัดด้วยงวังมีมาตรการดูแลที่ดีเห็นแล้วว่าจะได้ผ่านอะไรบ้างเจออะไรบ้างกินอะไรบ้างนอนยังไงก็เลยอนุมัติให้มาได้ครับอนุมัติให้มาแล้วก็ดีเนาะครับใช่แล้วก็ คือไม่ใช่แต่ตัวเธอคนนี้ได้แล้วก็ได้พ่อแม่ได้นะครับแล้วคืก็สังเกตว่าเป็นนักปฏิบัติที่ดีนะครับภาวนาดีครับแล้วก็มีผู้ปฏิบัติเป็นชาวนอร์เวย์มาเข้าหลักสูตรนี้ด้วยมานในขั้สูงอายุด้วยใช่ใช่ใช่แล้วก็สาเหตุที่เขาเข้าเนี่ยก็เพราะว่าได้มาทดลองดูนะที่หลักสูตรภาษาอังกฤษที่จะทํา ในช่วงเดือนมกราคมแล ก, ก็มีการให้ข้อมูลอะไรต่างๆ ก, ก็ปรากฏว่าผู้ปฏิบัติท่านนี้ท่านก็านสามารถปฏิบัติได้นักก่นคือคือผู้ปฏิบัติเนี่ยคนนี้นะเขาอนุญาตให้อดมาแชร์ข้อมูลของเขาได้บ้างนะ ก, ก็จึง<อ>จะเอามาแบ่งปันส่วนที่ที่เขาอนุญาตให้แบ่งปันให้ทราบทราบกันกกแล้วก็คืออันดับแรกเนี่ยเขาก็เจอเขาเรียกว่าปัญหาในชีวิตบ้างนะก็เลยจะมาปฏิบัติธรรม แต่พ่อมาปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยเขามีความซับซึ้งมากเขาบอกว่าเขารักพระพุทเจ้ามากเขานึกถึงว่าโอ้ยเขานี่มันไม่ได้รู้เรื่องมาก่อนเลยมาทําให้ตัวเองเป็นทุกข์ตอนนี้เขาทราบแล้วเขาก็เลยนึกถึงกรอนบทหนึ่งกรอนบทหนึ่งกรอนนี้เป็นกรอนที่เป็นกรอนที่ลูกชายของเขาเนี่ยเขียนให้เขาและลูกชายของเขาเนี่ยเป็นแอลกอฮอลิกคือติดเหล้าติดเหล้าติดเหล้ามากเลยจนกระทั่งว่า เป็นโรคเป็นอะไรต่างๆแล้วก็ต้องไปผ่านสถานพยาบาลในการรักษาถ้าพูดง่ายๆคือเหมือนถํากระบอกเมืองไทยอะนะผ่านการควบคุมนิสัยไปบําบัดอะไรต่างๆมาเสร็จปุ๊บพอหายแล้วเนี่ยเขียนกรอนฉบับนี้ให้แม่แม่ก็ได้รับกรอนฉบับนี้มาก็ดูๆไว้เออเคอนุโมทนากับลูกด้วยแต่ไม่เคยเข้าใจความหมายของกรอนนี้เลยจนกรทั่งวันนี้แต่เขาก็เลยเอากรอนนี้เป็นภาษาโนเวยเป็นภาษานอรโน เขาแปลเป็นภาษาอังกฤษให้ใหอาตมาฟังก็จะขออนิย่าอ่านเป็นภาษาอังกฤษให้ทั้ผู้ฟังฟังหน่อยอเคครนะขราะวันนีอยากให้แชร์กลอนแบบนี้ได้เขาบอกงี้บอกว่า Oh good Give me peace in my mind Such as I can accept those things I cannot change Courage to change those things I can And be given wisdom to see the difference From the bottom of my heart โอเคียนนี้ครับแลบวสไทยบอกว่าไหลอีกรอบครับจริงๆในภาษานอร์ชเนี่ยโอ้กูเนี่ยจริงๆันคือโอ้กอสกอคือหมนหนึงพระเจ้าในที่นี้เขาก็เขียนว่าเป็นกูตเติมโอ้ยตัวหนึ่งนะแล้วก็ give me peace in mind นั่นก็คือขอบคุณความดีในที่นี้คือคุณงามความดีที่ให้ฉันเนี่ยมีความสงบใจความสงบความสุขในใจ ในลักษณะที่สามารถที่จะยอมรับสิ่งที่ฉันเปลี่ยนแปลงไม่ไดนะ้ยอมรับสิ่งที่ฉันเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วก็มีความกล้าในการที่จะเปลี่ยนสิ่งที่ฉันเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็ทำให้มีความมีปัญญาในการที่จะเห็นความแตกต่างตรงนี้โอ้โหนี่มันมาฟังแล้วเนี่ยเอ้ามันถูกต้องนี่วาผู้เจ้ า, นะ<ม>าให้อรอบรู้เรื่องทุกคือติงติง you can not change คือความทุกข์นั่นเองความทุกข์เราเปลี่ยนไม่ได้นะหมอพงษ์ความทุกข์เป็นสิ่งที่เราต้องรับรู้รับรู้ในที่หมายถึงยอมรับนั่นแหละคุณต้องยอมรับความทุกข์แม่ถ้พูดอย่างนี้แล้วนะคนก็เอาทำไมพระเ จ, าจา้าสอนให้ยอมรับความทุกข์ก็จริงๆคือให้รอบรู้เรื่องทุกนั่ะจริงครับอ่ทีนี้ประเด็นต่อไปก็คือว่าเขาพูดถึงว่าเขายอมรับนะว่าเขายอมรับสิ่งที่เขาเปลี่ยนไม่ได้นะเดี๋ยวความสุงมันก็มีเดี๋ยวความสูงเข้าไปร่างกายเดี๋ยวม <น>ะระดมบางทีมันก็ขึ้นก็นลงเอ๊ะเรายอมรับได้ไหมกูมคุณจะยอมรับได้คุณต้องรับรู้เก่อนใช่ครับ<อ>ว่ามันเป็นเช่นนั้นเองอเพราะฉะนั้นคําว่ายอมรับยอมรับยอมรับเนี่ยจึงเป็นความหมายหนึ่งของคําว่ารอบรู้เหมือนกันออืคื อ, อคถ้าเราพูดกับว่ารอบรู้เนี่ยอาจจะไม่เก็ทจริงๆภาษาบาลีมันชัดเจนมากนะว่า ค, คือคุณต้องยอมรับตรงนี้เนะพราะแปลภาษาไทยมันก็ต้องแปลว่ารอบรู้น่ะเพราะว่าตัวบทมันหมายเงินแต่ความหมายที่มันเพิ่มขึ้นมาด้วยที่ภาษาไทยไม่ได้ บ้วพ่วงมาด้วยเนี่ยคือคำว่ายอมรับนะพอเราเรารู้ความทุกข์มันเป็นอย่างนี้เรายอมรับความทุกข์ได้เราอยู่กับความทุกข์ได้ไม่มีปัญหาเราไม่ทุกข์เพราะอยู่กับความทุกข์ได้โดยไม่มีทุกขเวตาอ่าทำให้เขาสามารถเอ็กเซ t h ์ดอสติ่งไอแคนต์เชนที่คือเขเกฟรสนี้มานะวรที่สองเขาบอกว่า courage to change those things I can นั่นคือมีความกล้าที่จะเปลี่ยนสิ่งที่ เปลี่ยนได้ครับแตคือบางทีอย่างจิตของเราเนี่ยเราเราสามารถเปลี่ยนได้นตรงที่ว่าเราไม่ต้องไปยึดสิ่งนี้อย่างเดียวครับเราคลายความยึดถือนี้พุ่มกุลเปลี่ยนเลยหมายถึงเคยชอบอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นไม่ชอบได้ เ, ไดเคยไม่ชอบอันนี้ก็เป็นชอบได้ใช่ที่พุทธาบอกว่าสามารถทําใจให้รู้สึกปฏิกุใูในของที่ไม่ปฏิกรูนรู้สึกไม่ปฏิกุูในของที่ปฏิกุูได้ครับ แล้วก็ให้ปัญญาในการที่เห็นความแตกต่าง difference ครับตรงนี้ก็คือเกิดดับนั่นเอง difference ทั้งเกิดทั้งดับทั้งเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงแะคุณมีปัญญาตรงนี้คือคุณเห็นแล้วนะอืมเห็นการเกิดการดับเขาเขาเห็นในใจเขาเนี่ยทำให้เขานึกถึงกราบบทนี้ที่ลูกเขาเคยเห็นให้ซึ่งมันตรงกับคําสอนของพระเาเปเลยเป๊ะเลยใช่ครับที่บอกว่าอ่ให้ยอมรับสิ่งที่เป็นทุกข์ครับ เพรนถ้าเราจะจะใช้คําให้ถูกเนี่ยนี่คือจึงเป็นเหตุที่จะขอพูดเรื่องนี้คือเรื่องของการยอมรับคือการรอบรู้นะรยอมรับคือยอมรับความทุกข์นั่นเองคือไม่ใช่ว่าเราทุกข์ฉันรับมาฉันไปทําตัวให้ทรมานนะฉันไปยืนเป็นวัวเป็นควายอันนี้คุณเข้าใจผิดละอันนี้คือจะเป็น<อ>ก็เรียกว่าความหมายที่แฝงของคําว่ายอมรับเราจึงครับอ่าครูบาอาจารย์ท่านที่ผ่านมาท่านก็เลยจะเลี่ยงคําว่ายอมรับตรงนี้นะแต่ อาการของคําว่ารอบรู้เรื่องทุกเนี่ยมันมีส่วนของยอมรับในความหมายที่ดีด้วยใช่ครับเนี่ยก็คือคือใช้คําไม่ถูกเนี่ยทุกก็คือว่ายอมรับเนี่ยให้ยอมรับความทุกันแหละค่ะคือบางคนเนี่ยรู้อยู่รู้ความทุกอยู่แต่ไม่ยอมรับมันรู้รู้แต่สมองไม่ได้เข้าถึงใจใช่อันนี้ที่เราพูดไปก่อนหน้านั้นใช่หมใช่รับรู้แบบชนิดปัญญาชนแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นวูเปยูชนใช่ไหมยูชนคือรู้ของคุณเนี่ยแค่ว่าจําความรู้ของคุณออกมาเฉยแต่ยังไม่เข้าไปในใจของเรา นี่ไอ้ที่เข้าไปในใจเพราะเข้าไปในใจแล้วเนี่ยมันจะยอมรับได้เนี่ยมันจนางกันตรงนี้ที่อารามาบอกว่าพอเข้าไปในใจแล้วเนี่ยเราจะสามารถวางได้วางได้ว่าอะไรคือยอมรับได้นั่นแหละครับเราจึงใช้คําว่าโอ้ยปล่ยวางปลายวางใช้กันจนเสื่อแต่บางคนคิดว่าเฮ้ยฉันยอมรับได้แล้วแต่จริงๆแล้วยังยอมรับมันไม่ได้เราเรารู้ในใจว่าคิดว่ารู้แล้วแต่ยังรอมรับไม่ได้อืมอย่างเงี้ยใช่ครับ พราะอ่านมาอ่านกรอนี้เนี่ยพูดถึงการยอมรับความทุกข์เนี่ยก็ทำให้เราไปนึกถึงเหตุการณ์ในในอดีตเหมือนกันหมาหลวงครับเรื่องอะไรครับสมัยเราเป็นนักเรียนนะนะก็แข่งบาสเกตบอลอือมอหนึ่งมอสองเนี่ยแข่งบาสแต่ว่าทำตัวใหญ่ในบาสคือมีความผิดปกติทางร่างกายกว่าหมูเพื่อนนิดนึงคือตอนเด็กตัวใหญ่กว่าคนอื่นอก็เลยเขาเลยจับไปเล่นบาสเกตบอลอ๋อใช่ครับพอจับไปเล่นบาสเกตบอลแล้วเนี่ยหูเราก็ซ้อมอย่างหนัก จ้างครูมาจากข้างนอกจ้างโค้ชมาจากข้างนอกมีการฝึกซ้อมกันทุกวันวันหยุดก็ไม่เว้นปิดเทอมตุลาก็ยังไปอีกอย่างเงี้ยซ้อมเพื่อที่จะให้ได้เป็นแชมป์เราซ้อมกันอย่างดีซ้อมกันอย่างหนักในมูทีมก็มีความสามัคคีกันมีรักใคร่กอดรองกันมีเขาเรียกว่าเป็นทีมเวิร์กอย่างดีครับเราก็คิดว่าเราต้องชนะแน่ แต่ถ้าแพ้ก็ไม่เป็นไรเราก็สบายใจอยู่เรามีน้ําใจนักกีฬาว่อย่า ง, ง น, นั้นสบาใจนักกีฬาแ ต, แต่พอไปแข่งจริงๆเนี่ยมีสนามหนึ่งไปแข่งสนามนึงแข่งสนามนี้เนี่ยเพื่อที่จะมาพร้อมที่จะแข่งสนามใหญ่อย่างเดียวครับนั้นพอไปแข่งสนามใหญ่ปรากฏว่าโอ้โหไปเจอทีมแข่งแต่ทีมแข็งนี่มันมันคล่องมากหมารุ่งพงศไอ้มันตัวเล็กๆเนี่ยนะตัวไม่ได้ใหญ่เหมือนทา่านใช่ไหมครับเท <resources S 2> ่าเท่าไหลเราเท่านั้นเองนะแต่ทํำไมมันยิงโอ้โหมันยิงลูกบารสไปเนี่ยมันลงพุบลงพุบเลยไว โอ้ยมันวิ่งเร็วนะเราก็ตามไม่ทันเลยจิตจัดจิตจัดมากเลยความคล่องแคล่วอ่ะนี่ยคือสนามวานเนี่ยมันเล็กใช่ไหมมันไม่ได้ใหญ่เพราะนั้นคุณไม่ได้แข่งกันที่ความเร็วแต่คุณแข่งที่ความคล่องนะคุณเปลี่ยนทิศทางได้อย่างรวดเร็วปุ๊บปั๊บเนี่ยโอ้โหเราตัวเบื้องต้เราตามไม่ทันกันนะเพราะนั้นเราแพ้หลุดลุยเลยเก่วันนั้นแพ้หลุดลุยชนิดที่ว่าโอ้โหเราซ้อมมากขนาดนักเราแพ้หลุดลุยขนาดนี้นะเราว่าเราเราเป็นน้ําใจนักกีฬานะ คือคือหมอรพงศ์เคยเห็นนะพวกแข่งบันเนี่ยบอลแพ้แต่คนไม่แพ้นะใช่ครับเออคือคือไม่ยอมรับไม่ยอมรับบอลไม่แพ้อ่ใช่ทีนี้ตัวนักกีฬาเองเราเป็นนักกีฬาเองเฮ้ยเราต้องยอมรับว่าเราเล่นสู้ไม่ได้จริงจริงไว้แต่ว่าเราคิดว่าเรายอมรับได้อ่ะแต่พอเหตุเออแพ้ได้ครับแต่พอเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นกันจริงจริงโอ้เรายอมรับไม่ได้เว้โอ้มีความขัดเคืองในใจใช่ครับก็โทษกันละกันดิทำไมคุณเล่นตําแหน่งนี้คุณเล่นอย่างนี้ ทำไมไม่ประกบเอทนี่วันนั้นคุณให้หลุดได้ไงเอไม่วิ่งตามเข้าไปโหมันวิ่งมาตลอดครึ่งแล้วเนี่ยเป็นตอนนาทีสุดท้ายมันจะให้วิ่งมันวิ่งไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยนะไม่ไหวขาดก็โทษกันไปโทษกันมาละหลับตอนมาส่งทําไมรถติดไม่เตรียมการก่อนมาถึงมันก็ไม่พร้อมแข่งเต็มที่อย่างเงี้ยก็เลยก็เลยมีการโทษกันจนกระทั่งว่าเฮ๊ะมันไม่ถูกนะเราทำอย่างงี้เราแสดงว่าเราไม่ยอมรับความใบแบ่นี้ เราไม่ยอมรับว่าเราจะอยู่กับมันได้ครับนะจนทั้งสองวันสามวันผ่านไปจึงค่อยมาทําความเข้าใจว่าโอ้มันก็เป็นอย่างนั้นแหละเดีนะ่ยตรงนี้เป็นข้อผิดของเราเราแก้ไขเดีนะ๋ยตรงนี้เราทําดีแล้วเราทําให้ดียิ่งขึ้นไปเดนะมีน้ําใจนักกีฬาเอา เ, อเฟื่อเฟื้อกันต่อไปแล้วก็ฝึกซ้อมกันต่อไปแล้วนะถึงจะถูกต้องเนี่ยจึงเชื่อว่ายอมรับได้จริงๆครับจะได้เกิดความสามัคคีในคณะใช่เพราะนั้นพอถามว่าคุณยอมรับ ความทุกข์ได้ไหมครับยอมรับเน้่คือไม่ใช่ว่าไปหาทุกข์มาใส่หัวนะถ้าไปหาทุกข์มาทับถมตัวเองที่ไม่มีความทุกข์ทับถมมันนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐินะ่ะคุณคุณยังเชื่อเรื่องกรรมไม่ถูกเช่นไป่าดื่มกินเหล้าไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็คือผิดไม่ถูกต้องผิดละอีกประการหนึ่งคือหาทุกข์มาทับถมตัวเองที่ไม่มีความทุกข์ทับถมอย่างเช่นว่าคุณไปหาทุกข์มาใส่ตัวไปทําตัวให้เดือดร้อนเฉยๆนะเอาหาเรื่องมาให้ตัวเองเดือดร้อนอย่างเงี้ย อันนี้ไม่ถูกเช่นว่าไปนอน บ, บนน้ำไปทำตัวเองให้ลำบากเป๋าป๋าพี่พี่นะแต่สิ่งที่ควรทำเนี่ยคือทําตามมรรคแปดทําความเปลี่ยนตามระบบมรรคแปดใช่ไหมครับแล้วก็อืมแล้วเราก็ต้องควรจะถ้าเรามีทุกข์อยู่แล้วเอ๊เราจะอยู่กับมันได้ยังไงนี่แหละคื อ, อที่พุทเจ้าสอนว่าให้รอบรู้เรื่องทุกข์อ ม, มันนี้ความหมายลึกซึ้งของรอบรู้ต้องยอมรับมันครับเคยนึกถึงเนื้อเพลงเลยที่ว่าอยู่กับทุกข์ได้ต้งยอมรับความทุกข์นะ ไม่ได้อยู่ในสิ่งที่ที่ฝันแต่อยู่ในสิ่งที่เป็นอืมใช่ครับมีเพลงใช่ครับอันนี้กินใจมากทีเดียวก็สอดคล้องกับคำสอนพระเช่าเหมือนกันครับโอ้ท่านครับอย่างนี้ขอยกกรณีผู้ปฏิบัติอีกท่านหนึ่งได้ไหมครับพอดีมีโอกาสได้พูดคุยคือเธอคนนี้เนี่ยเป็นมะเร็งนะครับผู้ปฏิบัติที่เป็นมะเร็งก็หลังจากที่เปิดวาจาก็คุยกับท่านเอเธอเป็นมะเร็งขั้นสี่นะครับคือไม่รู้ตัวมาก่อนแล้วก็ คือพอลู้ปั๊บขั้นสี่เลยอายุเท่าไหร่แล้วล่ะเข้าใจว่าน่าจะสักเลขสามสิบต้นๆนะครับเป็นสุภาพสตรีอะครัไม่มากเนาะครับเป็นมะเร็งที่เต้านมแล้วก็ขณะนี้เนี่ยได้แผ่ลุกลามมาที่ปอดแล้วนะครับเธอมีความยากลําบากในการปฏิบัติพออากาศเปลี่ยนปั๊บเธอจะไอไอแบบหูไอแบบหนักหนักเลยครับใช่ลมหนาวก็มาแล้วช่วงนี้ใช่ครับเธอก็สู้สู้สู้จนครบเจ็ดวันเธอเธอบอกบอกกับ พวกเราว่าเธอรู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็ไม่คิดว่าจะผ่านมาได้กับสภาพร่างกายแบบนี้นะครับตันปฏิบัติเจ็ดวันก็เป๊ ะ, ะเหมือนคนอื่นนะครับแล้วก็เธอก็บอกว่าพวกพวกเราก็ได้แบ่งปันว่าเนี่ยเธอมีที่พึ่งที่ถูกต้องนะครับในการาเผชิญกับโรคอันนี้โรคมะเร็งเนี่ยับครั บ, รบเธอก็บอกว่าเออเธอไม่ได้รู้สึกเจ็บป่วยเลยคือเหตุาการณ์นะขั้นสี่เธอก็ไม่ได้เจ็บเธอให้คีโมรักษาตามขั้นตอนของแพทย์อื นะครับแต่ก็ได้มาเนี่ยรักษาบําบัดจิตใจ<ช> ด, <ช>ด้วยใช่ด้วยใช่ใช่ครับโหแบบอนุวัฒนาจริงๆเลครับนี่แหละเนี่ยเป็นภยนัยในอนาคตที่เราต้องต้องระวัง ค, คือหมายความว่าอนุมาก็ต้องยืนยันอย่างนี้ว่าไออาการป่วยอะไรแต่คืออายุเรามันมีแต่จะมากขึ้นไปนะมันไม่มีลดลงใช่ครับรดัะนั้นอาการป่วยอะไรเนี่ยก็จะบอกง่ายๆว่ามันจะมีแต่หนักหน้าขึ้นไปแต่มันจะตีขึ้นมาก็นิดๆหน่อยๆหมอรับรองครับสมมุติคุณ มีอีกคนหนึ่งอายุ80แล้วมาถามมาดมาบอกว่าเนี่ยผมเนี่นะปวดเข่าปวดเข่าพราะมันหายปวดเข่าข้างนี้มันไปปวดเข่าอีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึพอหายปวดเข่าอีกข้างนึงมันมาปวดเอวหายปวดเอวมันมาปวดหลังหายปวดหลังมาปวดไหล่ไอ้ผมจะทํายังไงผมโดนของหรือเปล่าอืมคืออาดมาก็จะไม่รู้จะบอกเขาไงก็อายุ80แล้วมันก็ปวดมันก็ธรรมดานะธรรมดามันธรรมดานะอายุ80เนี่ยปวดนั่นปวดนี่มันคือสุดท้ายมันจะปวดทั่วตัวแล้วเราจะายังไง อตรงเนี้คือจะต้องบอกว่ามันมีแต่จะหนักหน้าตอนนั้นเองมันไม่มีที่จะดีขึ้นดีขึ้นนิดนิดหน่อยหน่อยนะถ้ามันก็ดีขึ้นนิดนหน่อยหน่อยเท่านั้นอือเพราะฉะนั้นถามว่าเวลาที่ตรงนั้นมาถึงเราแล้ ว, ลวเนี่ยพระเจ้าถามว่าเราจะทํายังไงให้เรายังเป็นผู้อยู่ผาสุขได้อจะทํายังไงให้เรายังเป็นผู้อยู่ผาสุขได้คือยอมรับความทุกตรงนั้นได้อยู่กับมันได้ยอมรับมันได้ยอมรับนี่หมายความไงหมายความว่ากายเราเนี่ย ทุอยู่ใช่ไหมเจ็บอยู่นะแต่ว่าใจเราไม่ทุกข์ด้วยเนาะเราถูกลูกศรแค่ดอกเดียวดอกเดียวอย่างพระอรหันเนี่ยกับปุถุชนธรรมดาดอกของกายคุณกายเจ็บเหมือนกันนะเป็นมะเร็งเหมือนกันสมมติแต่ระอรหันก็เป็นมะเร็งได้ปุถุชนก็เป็นมะเร็งได้เแต่ว่า2คนมันต่างกันยังไงนะพระเจ้าอธิบายให้ฟังอย่างกรณีของปุถุชนเนี่ยคุณเป็นมะเร็งใช่ไหมคุณเจ็บกายนะคุณเจ็บใจด้วย ใจคุณก็เป็นทุกข์ว่าจะแก้ยังไงดีทําไมมันเป็นอย่างนี้ใชนเป็นกรรมอะไรฉันจะทํายังไงต้นเงินมีไหมฉันจะทําไงต่อไปเต่าเป็นยังไงหายโอ้นี่โดนร้อยแปดดอกนะโดนหาฝนของลูกดอกแห่งปัญหาปุบปุบปุบปุบปแทงบึมบมบึมบึมเลยโอ้ไม่ตายก็เรี้ยงไม่โตจริงครับคนแบบนี้ก็ก็คือพยายามที่จะทําไงให้เขาสิงยอมรับได้ว่าเเขาถูกลูกสอนแค่ดอกเดียวถ้ายังกระดิ่งผ้าหันตูรู้สอนดอกเดียว เดีวคือที่กา ย, กายใช่กายใจไม่ไปทุกด้วยนั่นคือลักษณะนั้นคือสภาวะที่เรียกว่ากายกับใจนมันแยกกันไปแยกแยกกายกับจิตกายกันในบใจมันแยกกันไปผู้เจ้าเอามือลูบอากาศนี้วุบๆุๆบวุ้บวุ้บสิมือกับอากาศไม่ติดกันนะหรือเหมือนกับดวงจันทร์เนี่ยช่วงนี้ก็ช่วงออกพรรษาพระจันร์เต็มดงอยู่ตลอดแล้วก็พระจันร์บนฟ้ากับพระจันที่สะท้อนอยู่ในน้ํามันมาจากอันเดียวกันแต่มันแยกกันไปมันไม่ติดกันโอ้ครับ เธอต้องภาวนาเนี่ยทำจิตเนี่ยให้เป็นลักษณะว่าจิตนะกับกายแยกกันไปอย่างนี้กายเจ็บแต่จิตสบายนะเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้แม้เมื่อภัยนั้นมาถึงภัยคืออะไรบ้างความเจ็บนะความตายทุพพิภยสมุตแตกกันพวกนี้เป็นเป็นภัยที่จะเกิดขึ้นทงทั้งนั้นเลยแล้วก็เราก็เห็นเห็นกันด่าดืนเลยครับภัยต่างๆมาเป็นชุดๆเลย ถึงถึงว่ามันไม่ใช่ว่าเรื่องที่จะจะประมาทได้เลยใช่ครับอ <as Un ique S 2> ีก <as> นิดนึงตรงนี้ที่ว่าพอเรารอบรู้เรื่องทุกแล้วเนี่ยเราจะอยู่กับขันห้าเอาพูดใหม่ดีกว่าถ้าเรารอบรู้เรื่องขันห้าเนี่ยเราจะอยู่ <Scott. S 2> ขันห้าได้อย่างสบายไม่ว่าขันห้านั้นจะอยู่ในสภาพที่เป็นสุขหรือขันห้านั้นจะอยู่ในสภาพที่เป็นทุกข์เราจะอยู่กับมันได้อย่างสบาย <as S 2> ครั บ, รบเรารอบรู้เรื่องนั้นเรารอบรู้เรื่องนั้นเราก็ยอมรับมันได้ ครับ อ, อ, อเพราะนั้นพออย่างกรณีผู้ป่ปวยเนี่ยเขาอยอมรับว่าในสภาพนี้เทียเขเป็นใจเขาสบายขึ้นมาทันทีใช่ครับเออดูจิตเขาก็ไม่ได้เจ็บป่วยแล้วก็คุยด้วยท่าทีปกติแววตาก็ยิ้มแย้มแจ่มสใสผมก็ ย, ยินดีกับเขาเลยว่าเขามีที่พึ่งคือสารณะเนี่ยที่พึ่งที่ถูกต้องนะครับใเขาบอกเขาดีใจอย่างน้อยได้รู้ธรรมะก่อนที่จะหมดลมหายใจนี่คือความเกิดมาเนี่ยไม่เสียชาติ เอาแค่ okay, ว่าสมมุติคุณมาปฏิบัติธรรมเจวันหรือแค่วันเดียวหรือแค่คืนเดียวนะที่คุณคมีความรู้นี้เกิดขึ้นมา ค, คืนนั้นเนี่ยเป็นผู้ที่มีราตรีหนึ่งเจริญพุชาบอกในะ ร, ราตรีนั้นวันนั้นคืนนั้นเนี่ยมีค่ามากกว่าช่วงชีวิตที่เราผ่านมาทั้งหมดคืนนั้นตอนนั้นเองนะที่คุณควางได้ที่คุณรับรู้ได้ที่คุณยอมรับมันได้ ครับสาธุเลยพอาวางได้ปุ๊บเราถอดลูกศรทันทีถอดลูกศรที่ออกจากใจเครยงทิ้งไปทางเท้าเลยอพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บสบายแล้วนียวันนั้นเนี่ยแหม ม, มันมันสบายใจมากเลยนะเราจะเห็นว่าวันนี้จะเป็นวันที่เราไม่ลืมเลยสถานที่ที่เราเห็นตรงนี้เราจะไม่ลืมเลยอไอเหตุการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมดในชีวิตเรามีค่าไม่ถึงเซี่ยวหนึ่งที่สมบอของวันนั้นเลยครับอ <นะ S 2> อันนี้ก็คือขั้นหนึ่งของการบรรลุธรรมอย่างนี้ไหมครับใช่คือคุณวางได้ละเป็นขั้นขั้นตายนะ อันนี้เราไม่ต้องพูดถึงโซนัสกีทาอะไรหรอกคือมันก็เป็นขั้นขั้ขัไปครับครับก็รู้ได้เฉพาะตนใช่านลองน้อมนํามาปฏิบัติแล้วท่านจะได้รู้เองครับเพราะนั้นเพราะนั้นตรงที่เราบอกว่าเฮ้ยคุณยอมรับความทุกข์ได้ไหมอันนี้คืออาตมาไม่ได้พยายามที่จะบัญญัติคําใหม่ขึ้นมานะครับแต่แต่ว่าคือพระเจ้าบัญญัติไว้ดีแล้วนะคือให้รอบรู้เรื่องทุกขุบาจารย์ท่านแปลมาดีแล้วท่านใช้สับแสงถูกต้องตามหลักวิชาการทุกอย่างแต่ที่เราเพิ่มเติมมมมมมตตรรรงงงงนนนีีี้้ก็คคือออววว่่าาาาเิยยยััหขบะ จริงๆอยู่คำว่ายอมรับมีส่วนที่ไม่ดีกับส่วนที่ดีเราเอาส่วนที่มาใช้งานในตรงนี้ได้ทําให้ความเข้าใจเรากว้างขวางมากขึ้นแต่ไม่ได้บัญญัติศั์ใหม่ก็บัญญัติที่สับก็ใช้ว่าคําว่ารอบรู้เนี่ยถูกต้องอยู่แล้วรอบรู้ครับรอบรู้เรื่องทุกถูกต้องอยู่แล้วเราก็มาใช้คําว่ายอมรับเพราะว่าสืบเนื่องมาจากคำกรรของผู้ปฏิบัติชาวโนเรย์ที่พูดถึงเรื่องการยอมรับความทุกยอมรับสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้ มีความกล้าที่จะเปลี่ยนสิ่งที่เราเปลี่ยนได้ไหวเงี้ยครับพอกรณีของผู้ปฏิบัติชาวนอร์เวย์เขาไม่รู้เข้าใจภาษาไทยฟังทําไม่รู้เรื่องผมทําให้ผมนึกถึงว่าภาษาของการภาวนามันเป็นภาษาสากลเป็นภาษาของจิตเนี่ยโอ้โหเพราะว่ามีมีเรื่องหนึ่งที่เขาแบ่งปันกับอาตมาครับคือทําไมเขาถึงยอมรับความเปลี่ยนแปลงได้อมองเห็นไ้ครับเพราะว่าพอหลับตาตุ้มเนี่ยนะคือการเปลี่ยนแปลงในชวิตเขามันมีใช่ไหม สามเป็นอย่างนี้ลูกเป็นอย่างนี้สังคมเป็นอย่างนี้ครอบครัวเป็นอย่างงี้โอ้ยมันทำไมเป็นอย่างนี้มันต้องเป็นอย่างที่ฉันคิดว่างกันอแต่พอหลับตาปุ๊บหลับตาเสร็จปุ๊บพระเจ้าเคยเปรียบเทียบเหมือนกับรูปปลวกหมอและกรมจอมปลวกเนี่ยนะจอมปลวกเนี่ยมันจะมีช่องมีรูแหล่งก้อนใช่ไหมแล้วก็มีงูงูเข้าไปอยู่ในจอมปลวกขอไปพระเจ้าใช้คําว่าตัวเฮียตัวเฮียหมายถึงตัวเงินตัวทองอนะตัวตะกวรนะตะกวดเขาเข้าไปอยู่ในนี้เข้าไปในจอมปลวก ถ้าเราปิดรูจอมปลวกทุกรูคือปิดมสมมติมันมีหกรูเราปิดห้ารูเราปิดห้ารูมันก็จะมาตัวเงินตัวทองตัวนั่นแหละนะครับออกมาเออออกมาจากรูนี้เมื่อไหร่เราจับมันทันทีออมันออกได้รูเดียวท่านั้นเราจ้ออยู่กับมันเนี่ยมันต้องออกมาแน่แต่เราจะจับมันเนี่ยนะต้องจับค่อยๆจับช้าๆนะคือคุณทำเบาๆนะอย่าไปทํามันแรง คือหมายว่าถ้าเราทํามันมันก็จะไม่ออกมาแต่เราอยู่นิ่งๆก็นอกอยู่มันจะค่อยออกมาปุ๊บเราไหวปุ๊บเราจับได้ทันทีนะครับนี้เป็นเหตุการณ์เดียวกับคนที่ไปฝึกปฏิบัติที่ไหนก็แล้วแต่หมอได้บอครับคุณปิดอายตนะทั้งหมดเลยปิดโทรศัพท์ไม่คุยกับใครปิดตาละปิดหูละตาคุณก็หยัดไปดูสิว่านั้นเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นอย่างนี้เขาพยายามจัดสถานที่ให้มันเรียบๆง่ายๆไม่มีอะไรมือว่าใช่ไหมครับเพราะนั้นมันมีรูเดียวคือรูใจที่มันจะออกมา อเขาแมปัไปให้เรามาฟังนี้บอกว่าเวลาเราหลับตาปุ๊บลงไปเนี่ยเราไม่สนใจแล้วมีจิตอย่างเดียวเนี่ยมันเราเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงวุบวับคิดนั่นนี่ปุ๊บแล้วพยายามที่จะวางวางวางวางวางวางตรงเนี้ยก็คือยอมรับว่าเอ้ยมันก็เป็นอย่างนั้นนะเราเห็นการเปลี่ยนแปลงตรงเนี้ยถ้ามันเป็นจิตของเราเนี่ยถ้าเราไม่ยอมรับเราจะวางไม่ได้ทำให้เขาสามารถยอมรับไอ้ตรงรายละเอียดตรงนี้ได้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า minute detail คือยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เล็กๆตรเนี้ในใจของเราบูบ้าบูบไปเนี่ยคือเราเห็นความคิดของเรามากขึ้นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงในคิดเรื่องนี้อดีตนะก็ปัจจุบันเรื่องคน้นเนี้ที่นั้นที่นี่ที่นอหนเรื่องของฉันเป็นอย่างนี้ไปบูบ้บูบ้สารพัดเลยครับสารพัดเลยไปทีนี้ถ้าเราคุณทําจิตไม่สงบเนี่ยคุณวางไม่ได้แปลว่าถ้าคุณวางไม่ได้คุณจิตคุณจะไม่สงบเขาไอวางการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เขายอมรับได้วางได้ปุ๊บเนี่ยเขาลืมตาขึ้นมากลับไป หมอเขาบมันรีเฟล็ออกไปมันเหมือนกับภาพฉายออกไปเนี่ยครับต้องเป็นครับตรงจิตของเราปุ๊บเรายอมรับตรงนี้ได้ปุ๊บเรามองกว้างออกไปปุ๊บเราก็ยอมรับได้ด้วยจิตเดียวกันครับเนี่ยโอ้โหความสามารถของเจ้านะมันมากจริงๆใช่ครับอธิบายออกมาโอ้โหเป็นพยัญชนะเอามาเอใช่เพราะฉะนั้นเขาทาให้เขาสามารถที่จะยอมรับสิ่งที่เขาเปลี่ยนแปลงไม่ได้นั่นคือจิตที่มันไปอย่างนั้นนของมันของเขาเนี่นี่คืออธิบายด้วยที่เขาเข้าใจ นะแล้วทำให้ด้วยจิตจิตอันเดียวกันนะจึงทำให้ยอมรับสิ่งต่างๆข้างนอกที่มันเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของมันได้ไม่ได้นะทุกร้อนตรงเหมือนจะตกฟ้าจะร้องตรงนี้นะคือปัญญาที่ทํทำให้เขาเห็นความแตกต่าง Given wisdom to see the difference คำนี้ Given wisdom to see the difference เรื่องของการยอมรับความความทุกข์การยอมรับความเปลี่ยนแปลงเนี่ยา้วทมี มีมีญาติโยมคนหนึ่งมาเล่าให้อาตจจมาฟังนะเขาบอกโอ้เข้าไปคูเวตมาในคูเวตเนี่ยทุกอย่างฟรีหมดว่าอย่างงั้นอาหาฟรีการศึกษาฟรีอยนะู่โรงแรมฟรีแล้วลงเออดีมากเลยแล้วก็โหบเอโอโรงแรม่เหมือนกับวังเลยเลือลุ่อลังการมากโอ้ไม่รู้สร้างได้ไงนะ<อ>แล้วก็ความอลังการเนี่ยโหเห็นแล้วตื่นตาตื่นใจมากเลยตอนเช้าไปโหดมันโอ้ยคนรวยเขาอยู่กันอย่างงี้ว่างัน เอ่า<ม>แต่พอสายๆมาหน่อยมันก็เริ่มโอเคโอ้นี่ก็สวยนะนี่ก็ดีนะพอบายๆมาหน่อยเออนี่ก็โอเคโอเคเย็นๆมาหน่อยก็งันเงันอ๋อชักชิมชาชัก ช, ช, ชิมชา <c oughs> ละคือคสามว่าโอ้โหมันสวยงามมากเนี่ยคือเหมือนกับปราสาราชวังจริงๆที่เขาให้เราไปอยู่ยฟรีด้วยนะหมอรัพงโอ้คืนนี้พอไปอยู่สามวันปรากฏว่าเราก็กลับนะกลับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะก็ไม่มีความทุกข์ไม่ได้รู้สึกว่าฉันจะต้องหูไม่ได้อยากกลับเลยบ้านฉันอะไรอย่างเงี้ยนะ แต่พอมาเปรียบเทียบกับบ้านของเราในะบ้านของเราก็งั้นงนนะแต่ถ้าโดนน้าท่วมแล้วเราทุกมากจริงครับเอาอย่างบ้านมอระพงนะก็เป็นบ้านบ้านสักหลังหนึ่งใช่ไหมครับสร้างมาอย่างดีอะไรต่างก็ตามถ้าโดนน้าท่วมนี่เราทุกมากครับอแต่ถ้าไปเปรียบเทียบกับโรงแรมโรงแรมห้าดาวอย่างเลิศรู้อลังการนะเราคิดว่าโหอันนี้ดีมากๆแนะน่นอนแต่ทําไมพอเราจากมันออกไปสามสี่วันเราไปอยู่อาทิตย์หนึ่งเป็นต้นอะ่ะเราจากไปรเรามไม่เราไม่ไม่ทุกะอืม มันไม่ใช่ของเราเพราะว่าเรา ย, ยอมรับเงื่อนไขตั้งแต่แรกแล้วว่าเราจะต้องจากมันไปครับแต่บ้านเราเนี่ยเราไม่ยอมรับเงื่อนไขตรงนี้ไง<ศ>ว่าเราสักวันหนึ่งเราต้องจากมันไปคุณยอมรับไม่ได้ยอมรับไม่ได้ไม่ได้ยอมรับเงื่อนไขนี้ตั้งแต่วันแรกเพราะฉะนั้นตรงนี้คือประเด็นที่เราไปยึดถือไงครับอ่าทําให้ของเลิศหรูอลังการขนาดนั้นน่ะเราไม่ได้ยึดถืออ่ะหมอรัชงศ์ว่าทําไมเรามีถึดตั้งแต่วันแรกที่เราไปใช้กินโรงแรม เพราะว่าไม่ไม่ได้คิดว่ามันเป็นของเราเลยครับใช่ครับต่อให้มันเลืิศถูกอลังการยังไงเนี่ยนะถ้าเรายอมรับเงื่อนไขตั้งแต่แรกแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นของมันอยู่แล้วมันเป็นอย่างนั้นของมันคืออะไรคือยังไงเดี๋ยวเราก็กลับครับสภาพอย่างนี้ของมันมันแน่นอนแล้วเราจะไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้อืมนี่คือการยอมรับตรงนี้ไงอืเพราะฉะนั้นเราจึงต้องยอมรับว่าบ้านของเรานะเราก็ต้องจากมันสักวันหนึ่งนะมันก็ต้องจากเราสักวันหนึ่งไม่ใครจากใครก่อนนะ เพราะนั้นถ้าเรายอมรับตรงนี้ด้เราจะไม่ทุกข์เลยเราจะไม่ทุกข์เลยเราจะอยู่กับความทุกข์ได้อย่างสบายใจอันนี้นึกนึกถึงบ้านของจิตด้วยนะฮะคือกายนี้ใช่ใช่ทุกต้องก็เลยขออนุโมทนานะครับนกับทุกท่านเลยนะครับมีอะไรที่น่าประทับใจมากๆเลยดีดีดีในการปฏิบัติก็มีทุกเดือนก็เราตัวเราเองด้วยเหมือนกันท่านผู้ฟังที่ฟังรายการเนี่ย ถึงแม้เราจะยังไม่ได้มีโอกาสการปฏิบัติหรือมีการโอกาสในการปฏิบัติไปที่ไหนๆก็แล้วแต่นะแต่การปฏิบัติผู้เชี่ยเนี่ยให้ทําอย่างเข้มงวดส ม, ม่ำเสม อ, อที่หมอรัตนพงศ์แบ่งปันเรื่องคนที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บก็ตามหรือว่าอคุณที่มาปฏิบัติทําให้ตัวเอง<พ>อวาง<ม>วางไปได้ม่อนได้เรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นความไม่ประมาทที่แต่ละท่านแต่ละคนเนี่ย ได้ทำเอาไว้ในะเป็นอย่างที่เราแป่งปันเพราะนั้นจึงเป็นเหตุให้มาระลึกถึงว่าเอ อ, เ อ, อความปริบาร์ของเราเนี่ยต้องเข้มงวดเสมอนะจะไปอ่อนแอย่อหย่อนไม่ได้ย่อหย่อนไม่ได้ครับมันต้องทําอยู่เรื่อยๆเพราะว่าภายในอนาคตเนี่ยมันไม่แน่นะีอย่างคนที่ป่วยก็ตามเอ่อคนที่ประสบปัญหาในชีวิตก็ตามนะหรือว่าเรายังอยู่ในวัยเราคิดว่าเราไม่ป่วยไม่เป็นอะไรเนี่ยมันไม่แน่มันมันเป็นไปได้อืครับเพราะะฉนั้นก<ม>็ได้พูดพูดคุยกับคนที่เป็นมะเร็งนะครับว่า ไม่ไม่ใช่ว่าคนที่อย่างเขาเป็นมะเร็งเขาอาจจะมีชีวิตได้อีกอ่ะาสามปีห้าปีแต่คนแข็งแรงคิดว่าเราแข็งแรงหรือว่าไม่เป็นอะไรอยู่ๆพวกนี้อาจจะตกบันไดาตายหรือถูกลดชนตายอืมใช่เพราะนั้นเราจรึงต้องเข้มงวดเสมอในการปฏิบัติของเราในะที่ว่าคำอย่างเข้มงวดสม่เสมอเนี่ยจริงๆแล้วนี่เป็นข้อปฏิบัติของอาตมาเหมือนกันที่ว่าทุกๆปีช่วงนี้มันช่วงออกปรษา นะถ้าท่านฟังฟังอยู่ช่วงสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่ออกพัรษาของปี2555เนพราะฉะนั้นในช่วงออกพรรษาเนี่ยโดยส่วนตัวของเราเองนะหมอรพงศ์นะเราก็จะมาทบทวนดูว่าไอ้ช่วงปีที่ผ่านมาช่วง3เดือนที่ผ่านมาบ้างช่วงปีที่ผ่านมาบ้างเนี่ยเรามีการทําอะไรมาบ้างนะคือถ้าโดยคารวาสเนี่ยเขาจะที่ออกมาทําอยู่เป็นประจำก็คือตอนสิ้นปีนะช่วงสิ้นปีมีวันอยู่เราก็ลองทบทวนดูปีหนึ่งเราทําอะไรมาบ้างเนี่ยนะ ที น, นี้พอมัปมเป็นพระเราก็มาใช้ช่วงเวลาออกพรรษาในช่วงของปัรษาว่าทบทวนปีที่ผ่านมาทบทวนหลายๆปีที่ผ่านมาคือในเข้าขายในกรณีที่ผู้เจ้าบอกว่าออจงโจทยตนด้วยตนว่าเรามีข้อผิดพลาดอะไรไหมอย่างเงี้ยนะซึ่งก็เป็นข้อปฏิบัติของพระสงฆ์เหมือนกันใ น, ในวันเขาเรียกว่าปวารณาอะไรปงปวารณาตรวจสอบตนเองใช่คือเปิดโอกาสให้คนอื่นเนี่ยโจทย์เราได้ติเตียนเราได้ว่ากล่าวเราได้ เนี่ยถ้าเราทําผิดจริงเราก็แก้ไขอย่างเงี้ยถ้ามีสิ่งที่ต้องทําความเข้าใจก็ชี้แจงกันไปอ๋อระบบปรนาระไรปรนนาระไรที่ที่สมมุติว่าถ้าถ้าคำว่าทํากับพระสงฆ์ใช่ไหมเอาปรณาก็คือหมายว่าออกตัวให้ใช้ได้ขอได้นี่คือการปารณาครับหรือบางทีเราคำว่าอาจจะปารณากับพระสงค์ว่าให้ว่ากล่าวตักเตือนได้ด่าได้ว่าได้ถ้าทําอะไรไม่ถูกอย่างเงี้ยครับ เช่นเดียวกันพระสงฆ์ทำกับพระสงฆ์ก็คือว่าเปิดโอกาสให้ท่านทั้งหลายเนี่ยโออยู่กันมาทั้ง3เดือนเนี่ยแหมช่วยบอกอะไรไหมว่าตัวกระผมมีข้อผิดพลาดอะไรไหมในช่วง3เดือนที่ผ่านมาท่านเห็นอะไรไหมทําอะไรไม่ดีก็ช่วยบอกช่วยเตือนกันโ อ, อครับอย่างปารณานี่มีการกล่าวชมด้วยไหมครับนอกจากติเตียนคือในเรื่องของข้อปฏิบัติที่ดีเนี่ยคือคือโดยพระพุทธวจนะอนะพระเจ้าให้โอกาสเตือนการกล่าวชมกันเนี่ย เป็นวาจาที่ไพโรเป็นวาจาที่เป็นสุภาษิตอันนี้ให้ทําอยู่เป็นประจําอยู่แล้วอ๋อครับทีนี้ไอ้ช่วงการด่าคือไม่มีใครชอบให้คนอื่นด่านะจริงครับอเพราะฉะนั้นจึงจึงขอสักช่วงนี้เอาในช่วงออกปัรษาเนี่ยปรณนาตกุกันเองอื่นปรณนาว่าเออให้ติดเตือนตักเตือนกันได้อืรานะฉะนั้นปัจจัยรับใช่อย่างตัวมาเองก็เปิดโอกาสให้ภิกษุอื่นเนี่ยว่ากล่าวตักเตือนเราได้ นะตะลอดพรรษาเลยไม่ใช่แค่เฉพาะวันออกพรรษา<อ>นะเพราะก็มีใครบวชมามีครูบาอาจารย์องไหนมาก็จะใบปรารณนากับท่านว่าอขอให้ถ้าท่านมีอะไรก็ช่วยบอกว่ากราบตักเตือนได้นะก็จะไม่มีปัญหาอะไรก็จะค่อยแก้ไขตัวเราเองไปครับวิธีการนี้เป็นการลดลดอัดตราตัวตนหรือมรณะทิฏฐิได้ดีนะครับท่านอื ม, อมคือเป็นกุศโลบายของบุตรชาอยู่แล้วครับนะบ ท, ที่ที่อนุ ญ, ญาตให้มีการทําตรงนี้คือมันสืบเนื่องจากที่ว่า เวลาที่อยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยถ้าไม่ตักเตือนกันและกันเนี่ยมันไม่ถูกต้องผู้เช่าเคยตีเตียนภิกษุกลุ่มหนึ่งที่ไปอยู่ในพรรษาด้วยกันเนี่ยเราก็ไม่พูดกันเลยสมัชฐานข้อปฏิบัติที่เรียกว่ามุขวรรตลอดพรรษาคือติเตียนเหมันกับว่าเป็นเหมือนปลสุสัดวัวควายที่อยู่ในคลอกใต้ถุนบ้านเดียวกันแต่ไม่พูดกันไม่สนใจกันอย่างเงี้ยไม่ถูกต้องอ๋อไม่ดีนะครับเจ็บป่วยไม่ดูแลกันไม่ตักเตือนกันให้ออกจากอาบัตไม่มาฟังธรรมกันไม่อะไรกันคือ เหมือนอยู่คนเดียวเงี้ยครับซึ่งซึ่งตรงนี้จะไม่เหมือนกับการหลีกเร้นนะอืมอมันต่างต่างกันต่างต่างกันตรงที่ว่าการหลีกเร้นเนี่ยพระเจ้าพูดถึงการไปอยู่องค์เดียวเลยอยู่คนเดียวอยู่รูปเดียวครับเนยไม่มีใครอยู่ด้วยเลยอย่างตัวพระเจ้าเองก็อยู่ใช่ไหมแล้วก็ไม่มีใครอยู่ด้วยเลยครั แ, แม้พระอุทตรก็ไม่มีเอ่อเพราะฉะนั้นมันจะไม่เหมือนตรงมุคขวะคือมุขวะคือคุณอยู่ด้วยกันแต่คุณไม่พูดกันอ่าที่นี้ในปัจจุบันเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยนะครับป่าที่ จะไปทําอย่างนี้ได้เนี่ยมันไม่มีแทบไม่มีแล้วมีเขาก็ไม่อนุ ญ, ญาตให้เราเข้าไปทําำจะมีที่พอจะลงกับพุทธวจนะได้ก็คือตรงส่วนของเรือนว่างอสมมติเราอยู่ในห้องว่างเราข้างของคนเดียวบริเวณที่พักของเราไม่มีใครอันนี้คือเรือนว่างอยู่หลีกเล่นได้อทีนี้อย่างกรณีที่มีการหลีกเล่นการปฏิบัติธรรตามที่ว่าต่างๆที่เขาไม่พูดกันไม่พูดกันเนี่ย ม, มันจะไม่เหมือนกับมุขวัตตรงที่ว่ามุขวัดเนี่ย ยังคือไม่สนใจกันเลยนะคือไม่มีการดูแลกันไม่มีการว่ากล่าวตักเตือนกันไม่มีการบอกสอนธรรมะกัน<ม>นะแต่อย่างการไปหลีกเล่นปฏิบัติธรรมตามวัดต่างๆตามสถานที่ปฏิบัติธรรมพวกนี้เขายังมีการดูแลกันนะ<ม>ยังมีการบอกกล่าวธรรมะกันคุณธรรมิีก็เรียกมาตักเตือนกันนะแต่เพียงแต่ว่าเรางดการสื่อสารให้น้อยลง จะว่าที่จําเป็นเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าอยู่คนเดียวจริงๆอ่ะมันก็ยังมีคนอื่นอยู่ก็ต้องมีการดูแลกันติดต่อสื่อสารกันอันนั้นก็จะไม่ใช่มุขวัดหลักแต่เอากฎการหลีกเล้นเนี่ยมาคือถ้าจะพูดถึงสุดตรงสองข้างเนี่ยนะคือไม่ใช่ว่าสุดตรงสองข้างคือเอาสองมุมก่อนมุมแรกนะก็คือมุขวัดเลยอันนี้ไม่ถูกละอีกมุมนึ่งก็คือหลีกเล้นเลยอันนี้ถูกเต็มๆแต่เพริ้นอย่างการไปหลีกเล้นนั่นคือไปอยู่ป่าคนเดียวละ นี่เป็นแง่มุมที่วิชาบอกล้วมองไปข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาไม่เห็นใครละนั่นคือการหลีกเล่นหลักในด้วยบ้างทําได้แตถ้าเป็นบริเวณอื่นๆมันก็ต้องเห็นคนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็เอาเอาตรงระหว่างกลางๆค่อนไปทางหลีกเล่นหน่อยสมมติถ้าเราลากเส้นขึ้นมาเส้นหนึ่ง่ปลายด้านหนึ่งเป็นมุขวัดปลายด้านหนึ่งเป็นการหลีกเล้นเราก็พยายามที่จะมุ่งไปหาตรงจุดที่หลีกเล่นที่เป็นปฏิสัรลานะที่พุทธเจ้ากล่าวไว้มันอาจจะไม่ได้ตรงเป๊ะเพราะว่า มันไม่มีที่ที่พอเราจะไปทําได้แล้วก็เอาใกล้ๆกันแล้วกันเอาพยายามที่จะทําให้ได้ใกล้เคียงมากที่สุดแต่ให้ห่างๆจุดของการที่มุขวัดตรงนั้นรั้โดยมีระบบการดูแลมีระบบอาหารมีระบบการสอนธรรมะมีระบบการบอกกล่าวตักเตือนกันเพียงแต่ผู้ปฏิบัติผู้หลีกรล่นด้วยกันเองเนี่ยไม่ได้คุยกันตั้งแต่เองก็จะมีแง่มุมต่างกันตรงนี้เพราะนั้นพอเรามาทบทวนดูว่า อในช่วงพรรษาที่ผ่านมาเรามีการโจทย์ตนด้วยตนใช่ไหมเตือนตนด้วยตนเราก็จะทําให้การปฏิบัติของเราเนดีขึ้นมาได้อืทําให้อาจมามเราลึกถึงเหตุการณ์หนึ่งที่จะมาแบ่งปันกับท่านผู้ฟังด้วยเรื่องอะไรครับท่านคือเมื่อประมาณสองสามปีที่แล้วะก็ช่วงออกพรรษานี่แหละช่วงออกพรรษานี่แหละได้มีโอกาสไปเฝ้าไข้ครูบาอาจารย์ที่โรงพยาบาลแล้วก็ อก็มีคนตอนเช้าก็มีคนเอามะ ม, ม่วงมาถวายมะม่วงมะม่วงสุกเนี่มาถวายอืมครับเขาเอามะม่วงสุกมาถวายแล้วก็ปอกนะก็ปอกปรากฏว่าคือก็อาจจะใช้ไม่มืดมีมีมครองอะ น, นะไม่ได้ปอกมะม่วงมาทานใช่ป่ะก็เลยปอกมะ ม, ม่วงปรากฏมีมันก็ไปบาดมือเขาให้<อ>นะบาดมือก็มีเลือดออกพอสมควรพอมีเลือดออกเสร็จปุ๊บเราก็รีบไปล้างใน ห้องน้ำใช่ป่ะก็เลยรู้สึกสบายใจเอ่สบายใจนิดนึงว่าเออเรายังอยู่โรงพยาบาลไว้แหมมันยังพอมีอุปกรณ์ทำแผลเนี่ยถ้าอยู่วัดหรือว่าอยู่ในป่านี่คงซวยเลยอืมครับก็เลยรีบออกไปข้างนอกอนี่ออกไปข้างนอกห้องคนป่วยนะแล้วก็ไปตรงหน้าเคาน์เตอร์พยาบาลคือคือนึกภาพออกนอโรงพยาบาลเนี่ยในวอร์ดเอออินเทอร์เนชันะที่มีห้องผู้ป่วยแล้วก็แต่ละคนก็นอนนอนอยู่เนี่ย แล้วก็ตรงกลางก็จะมีนางพยาบาลเต็มไปหมดนะมีอุปกรณ์ทงแผ้อุปกรณ์แรงของของพยาบาลเขานะครบถ้วนใช่ครับก็ออกจากห้องพักไปเพื่อที่จะไปหาพยาบาลช่วยให้ดูเอาให้หน่อยตรงนี้เป็นยังไงอครับอ่ทีนี้ปรากฏระหว่างทางไปมันก็เป็นคอริดอรเป็นทางเดินไปเนี่ยนะมันก็มีรถปฐมพยาบาลอยู่ ซึ่งรถของพยาบาลหมอธนพงศ์นึกออกเลที่รถเข็นรถเข็นน้อยๆของเขาแล้วมันก็มีกระปุปกรณ์อุปกรณ์ยาซับนีผากอตอะไพวกนี้อ่าใช่เต็มไปหมดเลยเราก็คิดว่าเออเราไม่ไปรบกวนพยาบาลหรอกเพราะว่ามันก็เป็นเวลาพักของเขาออาก็เลยจะทําเองบัดดิอ๋อทำแผลเองอ่าทําแผลเองก็ไม่ยากอะไรเราก็ทําความสะอาดมือของเรามาแล้วใช่ไหมอันนั้นมาก็เลยจะไปหยิบผ้าก๊อตไหมจะเอื้อมมือไปหยิบผ้าก๊อตเพื่อมา มาปิดแผลตัวเองแมาปิดมาปิดคือเอาเราเอานิ้วอุดไว้ละมันก็เลือดหยุดไปบ้างนี่ก็จะเอาผ้าคอสมาปิดครับปรากฏว่ามีนางพยาบาลคนหนึ่งเนี่ยเขาเดินออกมาพอดีเขาเห็นเราเนี่ยกำลังจะเอื้อมือไปหยิบไอ้ที่ที่ผาคอสที่อยู่ในกระปุกสแตนเลสนะครับวินาทีนั้นวินาทีนั้วพอดีเขาออกมาเห็นพอดีเขาก็รีบเดินมาว่าท่านจะทําอะไรท่านเป็นอะไรนะเราก็บอกว่าเราเป็นแผลเราก็เลยจะไม่เป็นไรเดี๋ยวอาตมาทําเองเราก็ว่างงั้น ทําเองได้นิดนิดหน่อยๆเท่านี้ก็จะเอื้อมมือไปหยิบพอดีปุ๊บปรากฏว่าอปรากฏว่าเขาเ ข, ข้ามาถึงพอดีเนี่ยนะเขาบอก อ, อยาเฟึองอย่าเฟืงฟ้งแล้ว ก, ก็เอ๊มันจะไปผิดพลาดอะไรเราก็จะทําของเราเองนะมันไม่มีประเด็นนะปรากฏว่าพอเราเอื้อมือไปเนี่ยคือคื อ, ค, อคิดว่าโดนนิดนึงอนะโดนกระปุกไอ้เฉียดเฉียดอ่ากระปุกที่เขาเก็บผ้ากอสเนี่ยนะมอละพงบ์ปรากฏว่าเขานี่ไม่ได้เลยเขาจะต้องเอากระปุกเนี่ยไปไปเปลี่ยนใหม่ อ่าไปเปลี่ยนใหม่อ้าวทำไมต้องเปลี่ยนใหม่เราก็งงก็เราก็คิดว่าเราล้างมือมาแล้วนะครับอ่าปรากฏว่าพยาบาลเขามาเฉลยให้อดมาฟังภายหลังว่าเขามีขั้นตอนการปลอดเชื้อนะว่าไอ้สำลีที่อยู่ในกระปุกที่ปิดฝาอย่างดีเนี่ยเปิดออกมาแล้วเนี่ยคุณจะอมือไปหยิบไม่ได้ใช่ครับคุณจะต้องใช้หมอทัฟฟงทราบใช่ไหมใช่ครับเออมันเป็นขั้นตอน เขาเรียกเตอร์ไลท์เทคนิคออมันจะต้องเอาคีมไอะไรคีมสแตนเลสเขาเนี่ยไปคีบออกมาแล้วก็มาบีบน้ํายาหรือแรงต่างก็ค่อยใช้ตรงนี้ห้ามใช้มือแตะขาดถูกต้องครับแต่เราว่าเราโดนครับจะไม่โดนเลยล่ะนิดเดียวเลยล่ะเขาก็เปลี่ยนเลยอืมใช่ครับแล้วถ้าสมมุติว่าถ้าแตะมาเป็นคาราเขาคิดว่าคงตีมือแล้วแน่นอนใช่ครับแล้วก็โดนดุด้วยทําให้ทําให้เราเห็นว่าโอ้โห เข้มงวดกันขนาดนี้เลยนะใช่ครับคืหมายว่าเรื่องติดเชื้อนี่เขาต้องเข้มงวดมากนะเให่ครับคุณพลาดนิดเดียวนี่คือเสร็จเลยนะใช่ครับเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะอการผ่าตัดทําแผลเนี่ยถือว่าการความปลอดเชื้อเนี่ยถือเป็นเรื่องใหญ่มากอืมทําให้อามามาระลึกถึงเหตุการณ์นี้ว่าโอ้โหความชั่วแม้นิดเดียวนี่เราเราไม่ได้อืมมานึกมาย้อนเข้าตัวเองนะว่าถ้าเรามาเปิดโอกาสให้ความชั่วมันมันไหลเข้ามาเนี่ย เกือบพลาดทันทีในในร่างกายของเราเนี่ยไม่ใช่ไม่มีเชียโร่หมอน้ำบงเนืออเนาะมีครับใช่ครับมีเต็มไปหมดเลยอย่าพูดว่ามันมีไม่กี่ตัวแต่ว่าไอ้ความดีเนี่ยมันมันปิดกั้ไว้ท่านเองมันคุมอยู่มันคุมอยู่ใช่เพราะฉะนั้นจะบอกว่าในความชั่วที่มันจะโผล่บ๊อบแบมแขึ้นมาแล้วอช่างมันนี้นี่หน่อยคุณพลาดละคุณพลาดละูจริงครับใช่ระบบไม่ได้เลยนะพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าความเข้มงวดสม่ําเสมอเนี่ยต้องมีตลอด นะความการพอใจในการสมาทานการปฏิบัติในจิตอันยิ่งเนี่ยต้องเข้มงวดอยู่อย่างสม่ําเสมอนี่สําคัญนะหมอรังบงเข้มงวดสม่าเสมอพอ<ม>เราเห็นเหตุการณ์นี้ปุ๊บเนี่ยเราคือสัปดาห์ที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องลิงใช่ใไหมเจ้าแตงกวากับเจ้าอางุ่นเ่ยทีนี้เราได้พูดถึงเจ้าแตงกวาว่ามีข้อผิดพลาดอะไรเจ้าองุ่นมีข้อผิดพลาดอะไรใช่ไหมใช่ครับตรงตรงนี้ทําให้อาจามาคิดถึงเจ้าองุ่น ลิงที่ที่ได้รับองุ่นเนี่ยว่าเขาไปพลาดตรงไหน <_ S 1> เขาไปพลาดตรงจุดที่ว่าปล่อยให้ความชั่วเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นแล้วก็ตัวเองไม่ได้แก้ไขมันเหมือนมันอ่าพัฒนาบานปลายออกมาอืมครับอ ม, มันมาตามองุ่นนั่นเองนะมันมาที<ช>ละนิดละนิดละนิ ด, ลนดแล้วเราไม่ได้ตรวจสอบไม่ได้จดตนด้วยตนไม่ได้เตือนตนด้วยต น, ตยตนแล้วมันก็อยู่ในใจ<ม>เป็นสนิมพ่อปูนพ่าปูนขึ้นไปปุ๊บหักพังแย่เลยครับ นี่พยาบาลเนี่ยเขามีความระมัดระวังมากครับนะถูกฝึกมาอย่างดีถูกฝึกมาอย่างดีครับโอย ถ, ถูกตีมือนี่คือ ถ, ถูกดุด้วยแหละถ้าเป็นคาราวานนะใช่ครับโดนแน่ไม่พลังแล้วก็เปลี่ยนทั้งกระปุกเลยเนี่ยต้องเอาไปกระปุกไปสเตอร์ไรซ์ใหม่ของข้างในเททิ้งหมดนะเอามาบีบน้ํายาใหม่แล้วก็อต้องเป็นเจ้าหน้าที่ที่ ท, ท, ท, ท, ท, ที่ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการปลอกเชื้อต้องทําแผลยังไงคุณจะมามั่วๆปาาๆไม่ได้นะ อืมแบบบ้านนอกไม่ได้นะครับมันต้องมีระบบระเบียบของเขาอะนะเป็นเขาเพยาบาลทำแผลพยาบาลครับครับพยาบาลทั่วไปก็ก็คล่องแคล่วว่าพวกนี้ก็ทําทุกวันครับบางบางคนเก่งกว่ามอยครับจริงๆพวกงานทําแผลฉีดยาเนี่ยพยาบาลก็จะคล่องทําทุกวันใช่เพราะนั้นก็คืออจึงเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้อมามาดูว่าเราเราพลาดไม่ได้เลยหนึ่งคือพลาดนิดเดียวครัแล้วมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ไป เหมือนตัวกิเลสเนี่ยมันก็พร้อมที่จะโจมตีเหมือนเชื้อโรคเพราะว่าเชืโรคก็มีทุกแห่งหนในโลกนี้ใชการที่เราอเปิดช่องเนี่ยทําอะไรที่มันมีมีช่องโออร์่นีแหละใช่ครับโอมนี่เหมือนกันคือความประมาทเลินเล่อเพราะฉะนั้นบางทีเราไม่รู้เราคิดว่าเราทําถูกทําไปอาคุณทาผิดแล้วนะเราเขายกย่องเราเราคิดว่าเออเราทําถูกแล้วเราแต่เราไม่ได้ตรวจจริงเราทําผิดแล้วนะ เพราะนั้นจึงต้องมาคอยที่จะทบทวนดูนะ่ว่าต้นต้นด้วยตนต้องระวังต้องทํำต้องคอยหาชี้ที่ผิดพรทธเจ้าจึงบอกว่าแหมคนที่มาชี้จุดผิดของเราเนี่ยเหมือนชี้ขุมทรัพย์ให้นะชี้ขุมทรัพย์ให้จําได้ไหมมารัชวงศ์เล่มขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์พระโอษฐ์ที่ท่านพุทธานตืเปลียงรวบรวมมาไว้เนี่ยพุทธเจ้าบอกตรงนี้บอกว่าคนเราควรมองผู้มีปัญญาใดๆ ที่คอยชี้โทษคอยกล่าวคำกรนับอยู่เสมอไปว่าคนนั้นแหละคือผู้ชี้ขุมทรัพย์ล่ะควครคบบัณฑิตที่เป็นเช่นนั้นเมื่อคบหากับบัณฑิตชนิดนั้นอยู่ย่อมมีแต่ดีท่าเดียวไม่มีเลวเลยไว้อย่างนั้นอ๋อครับอืมกินใจครับตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราเจอที่ผิดมีคนชี้ที่ผิดของเราเราแก้ไขทันทีครับนะแล้วนั่นคือเหมือนกับเขามอบขุมทรัพย์ให้แล้วอืต้องต้องรับแบบใส่หัวเลยละ่ะ แล้วก็ทำตามนะความผิดความข้อไม่ดีเราแก้ไขเองครับอันนี้ในในทางโลกนี่พูดถึงว่าคนที่บอกว่าตักเตือนหรือว่าขนาบเราเนี่ยจริงๆเราก็ต้องยกย่องชมเชยท่านใช่ไหมครับใช่สามารถที่จะเราจะได้โอกาสในการปรับปรุงตัวถูกต้องถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าเรามีภาษาอังกฤษเขาใช้ว่า reflect reflect reflection Ref <Effect> ion, คือเหมือนกับ <yeah. S 1> ย้อนดูสองกระจกดนะูว่าเรามีข้อผิดพลาดอะไรไหมต้องแก้ไขอะไรบ้างหรือเปล่านะครู บ, คบาอาจารย์หรือว่าเพื่อนมิมิตรสหายในะที่เราเขากล่าวอะไรเราจะเชื่อฟังเนี่ยเราฟังเขาไหมนะเราต้องอพิจารณาตัวเองดูตรงนี้นะความเข้มงวดสม่ําเสมอต้องมีแค่นั้นเองตอนนี้นะหมอเราออกปรรษาแล้วนะนะัจะเข้าสู่ภาคที่เรียกว่าภาคมาคาบูชา นั่นคือถ้าในทางโลกเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นไตรมาสไตรมาอละ3เดือนใช่ครับสเดือนทีนี้ถ้าเราวันทางพุทธศาสนามาแบ่งในรอบปีเนี่ยมันจะได้อยู่4ช่วงพอดีเหมือนกันแต่ไม่ได้ช่วงละ3เดือนนะสเดือนบ้าง3เดือนบ้างสี่เดือนบ้างอันนี้เป็นที่ท่านพุทธทาสได้เคยแบ่งแบ่งเอาไว้ในการทํางานของท่านอย่างช่วงที่ผ่านมาก็เป็นช่วงในปัรษาออกพรรษามาแล้วก็จะเป็นช่วงมาค้าออกจากช่วงมาค้ไปก็จะเป็นช่วงวิสาขาออกจากช่วงวิสาขาก็เป็นช่วงก่อนเข้าพรรษาอย่างงี้ ก็ท่านก็จะแบ่งช่วงเวลาการทํางานอาเทศในช่วงวิสาขาปีนี้จะเทศเรื่องอะไรแล้วก็เทศเป็นตอนตอนตอนตอนไปอธิษฐานในช่วงในพรรษาปีนี้จะเทศเรื่องอะไรแต่ก็เทศเป็นตอนๆอนตอน ต, อนตอนไปอย่างเงี้ยก็เป็น<อ>การแบ่งเวลาทํางานของท่านนะนะดูดูเหมาะสมดีนะครับก็เป็นเพราะฉะนั้นจึงต้องบอกว่าเราเข้าสู่ภาษาอังกฤษเขาใช้เบอร์มันเบอร์มันเบอร์มันก็อย่างออกตอเบอร์เดซีมเบอร์ โนกแฟบร์เดซเซมเบเนี่ยลงทายด้วย B ีอาเบอร์นะอ๋อเบอร์อ่าลงทายเบอร์มันแล้วเหมือนเราพงคือสามเดือนสุดท้ายของปีอ๋อครับแต่ถ้าเป็นในทางคารว่าคือคุณต้องปิดยอดใช่ครับหลายๆคนที่เป็นเซล์ที่เป็นคนขายของเนี่ยเตรียมละเตรียมละช่วงสามเดือนสุดท้ายเนี่ยนะคุณขายได้เท่าเท่ากับช่วงเก้าเดือนแรกเลยอืมเออหลายๆคนเป็นงี้นะคุณเป็นเซลขายของอ่ะเซลขายของนี่ยิ่งจะมาบูตออเดอร์ตรงช่วงปลายปี นะสามเดือนสุดท้ายโหทำไมขายได้หรือมากกว่าช่วงเก้าเดือนแรกด้กวยซ้ำเกเดือนแรกครับเพราะนั้นเบอร์มันเถอเนี่ยไอ้ช่วงเดือนสามเดือนสุดท้ายเบอร์มันเนี่ยนะมันจึงเป็นช่วงที่อะไรอก็เกิดได้อืมีความใช่ใช่อย่างพระออกพรรษาแล้วแหมมันเหมือนกับว่ากรงเปิดแล้วเนี่ยจะ<อ>บินออกแล้วอย่างเงี้ยแเฮ้ยต้องระวังนะความคิดคุณถูกหรือเปล่า อย่างเงี้ยอ่ามันไปไหนเราเออกูจะไปไหนดีเท um <|so|> ี่ยวไหนดีอ่าอะไรเงี้ยขัวจรไปต่างๆนานาใช่หรือถ้าเป็นครวนก็ตายปีแล้วจะไปเที่ยวไหนเออไประวังนะระวังนะระวังนะอุบัติภัยอุบัติเหตุอะไรใช่ต้องประมาทไม่ได้ประมาทไม่ได้ครับนะพระเจ้าเตือนไว้บอกว่ามารเนี่ยคอยช่องอยู่จากเธออย่างไม่ขาดระยะทุกวันเวลาวินาทีไม่เอาทางตาก็เอาทางหู ไม่ว่าทางหูว่าทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทางใดทางหนึ่งมันคอยช่องอยู่ตลอดเวลาไม่ขดาดระยะเชื้อโรคในร่างกายของเราหมอพระพงศ์มีอยู่ตลอดกันใช่ครับอืแต่ถ้าไม่มีเม็ดเลือดขาวคอยไปเก็บไม่มีระบบทําความสะอาดอยู่เรื่อยๆคุญพาเลยครับครับเม็ดเลือดขาวแล้วก็ระบบน้ําเหลืองระบบเลืองเป็นระบบอ่าอิมมูนคือระบบภูมิคุ้มกันส่วนหนึ่งด้วยต้องมีอยู่ตลอดต้องมีอยู่ตลอดเราจึงต้องเข้มงวดอยู่อย่างสม่ําเสมอ เข้มข้นอยู่เสมอในเรื่องของการปฏิบัติของเราในเรื่องของจิตของเราอือโหอันนี้เปรียบเทียบกันได้ลงตัวเลยนะครับลงตัวเลยผู้เช่าก็ออกแบบไปแล้วนี่คือมัคท่านเองครับทีนี้เราก็มาตอบคำถามของท่านผู้ังที่เขียนมาครับมีคําถามจากแฟนรายการประจําของเรานะครับคุณปณิชธิตคุณปณิชธิถามว่าไงครับเรื่องของการนั่งปฏิบัติคือนั่งสมาธิเนี่ครับท่านบอกว่าเวลานั่งตอนแรกก็หลังตรงดีมเป๊ะเปะแต่พอนั่งนั่งไป หลังมันก็ชักไม่ตรงแล้วเป็นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วก็บางครั้งก็รู้สึกว่ามีน้ำท่วมน้ำลายเนี่ยเต็มปากก็พยายามจะขยับตัวให้หลังตรงหรือว่ากลืนน้ำลายให้อ่าให้ปากมันว่างๆนะครับท่านก็กลัวว่ามันจะกลายเป็นการไม่ได้ทำกายสังขารให้ระงับอ๋อนี่จะขอคำแนะนำพระอาจารย์ครับเอาเรื่องกายสังขารให้ระงับก่อน ผูนะ้เช่าถามว่ากายะสังขารให้ระ ง, งับเนี่ยหมายความว่าอย่างไงผนะูพูด<ม>ถึงคุณสมบัติของพระอริยะบุคคลเนี่ยที่บอกว่าหนึ่งในแปดอย่างหรือเจอย่างเนี่ยนะที่บอกว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยอริยะบุคคลชั้นเลิศเนี่ยก็คือเป็นผู้มีกายะสังขารระ ง, งับแล้วก็อธิบายคําว่ากายะสังขารระ ง, งับเนี่ยเป็นยังไง ค, นะคืออธิบายคําว่ากายะสังขารระงับด้วยนัยยะของฌานที่สี่เอาฌานสเนี่ยเป็นมาตรฐานของการทํากายะสังขารให้ระงับอืม หมาว่าไงหมายว่าไงหมายว่าไอ้กรณีที่ว่าเราจะเคลื่อนไหวร่างกายเราจะกลืนน้ําลายเราจะแอนหน้าแอนหลังอันนั้นเป็นเรื่องภายนอกเท่านั้นเลยมันไม่ใช่ว่ากายแสงชาร์นอังอับคุณจะแอนหน้าแอนหลังไม่ได้หรือว่ากายสังชาร์นอังอับคุณจะกลืนน้ำลายไม่ได้ไม่ใช่ะกายแสตชาร์นอังอับคือชั้นสี่ชั้นสี่นี่นิ่งเลยชั้นสี่คืออะไรก็ยังครับเอชั้นสี่ก็คือเป็นผู้ที่ ละสุขและละทุกเสียไดนะ้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนาทโทมนัทในการก่อนนะจึงเข้าถึงชั้นที่4่อันไม่ทุกไม่สุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติพระอุเบกขาแค่นี้เองนะถ้าเร า, อ, า อ, อยู่อุเบกข า, าได้ตลอดนะทางกายไม่มีปัญหาแล้วได้อย่างต่อเนื่องทางกายจะเป็นยังไงก็ได้นะ ค, ค, คือหมอระวงคิดดูสมมติถ้าคนแก่มากแล้วนะยุแปดบเหนะลังโก่งแล้วตัวโคตรแล้ว เดินตัวสันเทิ่มแต่ว่าจิตเขาเข้าชั้นสีได้นะเขาก็ต้องนั่งหลังงอไปอย่างนั้นนะถูกครับมันยืดตรงไม่ได้นะต่อให้เดินปกติแล้วมันก็ยืดตรงไม่ได้ดีเขาก็ต้องหลังงอไป่ครับก็กายมันมีความเสื่อมเช่นนั้นเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่ว่าตรงนี้เองแล้วถามว่าคนเข้าชั้นสี่เดินจงกรมได้ไหมได้ได้ครับอเพราะฉะนั้นถามว่าการที่กายระงับเนี่ยเดินจงกรมได้ไหมเพราะฉะนนถ้าเราเป็นผู้ที่ ทำอนาปานสติในขณะเอียรีบดเดินน่ะเฮ้เราจะทำกายระ ง, งับไม่ได้หรออืมใช่ใช่ก้อจึงพุริเจ้าจึงเฉลยเอาไว้ตรงที่ว่ากายแะสังขารให้ระ ง, งับนั่นก็คือฌานที่สี่นั่นเองดัะนั้นออเออถ้ า, ถ า, ถ า, ถ า, ถานั่งสมาธิแล้วน้ำลายมันจะยืดเนี่ยจะมาก็แนะนําว่าให้กลืนน้ำลายซะกลืนซะเดี๋ยวมันจะย้อยออกมานอกรับแล้วก็ถ้าเผือ่อมันจะโน้มแปขหน้าเราถ้าเรามีสติรึกได้นะ ไปไดกึเรืนี้หมื่านถ้าเราจะทําเคลื่อนไหวกายอย่างสมมติคุณนั่งแล้วปวดมากเลยคุณจะเคลื่อนไหวกายได้ไหมพูดได้เลยไม่มีปัญหาเคลื่อนไปเถอะได้ใช่ไหมครับเล็กน้อยไม่ได้แบบครับะดับได้ที่จิตเรายังคงอยู่ที่เดิมคือบางคนเนี่ยนั่งสมาธิใช่ไหมตีหลายครั้งเป้งปุ๊บลุกขึ้นเลยหรือว่าปวดปุ๊บขยับทันทีขยับขยับเร็วด้วยเพราะขยับเร็วเร็วหรือช้ามันอีกเรื่องหนึ่งหรอกแต่ว่าจิตของเราไม่ได้คอยระวังทำให้จิตกระเพื่อมทำให้จิตมันเปลี่ยนแปลงไปโดยที่คุณไม่รู้ตัว ค, คือต้องเราต้องคอยระวังจิตเมื่อขอนะอย่างสมมติว่าให้หมอท้วงถือแก้วแก้ ว, ก ว, กวน้ําใบหนึ่งแก้วน้ําใบนี้มีน้ําเต็มปรีเลยไม่ใช่น้ําธรรมดาน้ํามันด้วยโหหกแล้วเธอหนี้เช่นยากมากเพรา<ล>ะฉะนั้นเราจะยกยกตัวทีนึงกลับตัวจริงเราต้องคอยระวังแก้วน้ํำในเนี้ยประคองสุขาประคองสุิีเช่นเดียวกันผู้เจ้าให้ประคองจิตเนี่ยอย่างนี้เนือเหมือนคนที่ถือภาชนะที่เต็มไปด้วยน้ํามันแล้วเดินผ่านเข้าไป มีโอ้โหสามงามเล่นกันอยู่บนเวทีแสดงถ้าปัจจุบันก็เต้นอะไรนะโคโยเต้อ โ, โยตี้เนี่ยนะยักยักอยู่ตเกือกกกเนี่ยนะ <c oughs> เขาจะต้องแล้วก็มีเพชฌฆาตยืนอยู่ข้างหลังนะโโเพชฌฆาตคนนี้ได้รับคาสั่งมาบอกว่าถ้าภาชนะน้ำมันนี่นะมีน้ำมันหกลงที่ตรงไหนให้บันคอไอ้คนเนี้ยลงตรงที่ตรงนั้นโอ้โหให้บันคอตัวคนนี้ตรงที่น้ำมันหกนั่นเลย ครับเพราะนั้นคอยกระเด็นเลยคุณประคองภาชนะมันอยู่่ะคุณจะดูคโยเต้หรือว่าคุณจะตือภาชนะมันตือภาชนะมันครับแน่นอนแน่นอนนะเพราะฉะนั้นเราต้องคอยประคองจิตเราอย่างนี้ครถามว่ากายคุณจะเดินไปได้ไหมก็ทําเถอะอะไรที่ทําแล้วมันเหมาะสมมันก็ทําเถอะแต่ว่าเราต้องคอยระวังจิตของเราช้าบ้างเร็วบ้างอยู่ที่การฝึกฝนของคุณมันก็ไม่เท่ากันเร็วถ้าคุณฝึกดีคุณก็ทําเร็วได้แต่คุณเพิ่งฝึกมาคุณก็ทําช้าๆหน่อย คอประคองจิตเอาไว้ให้เป็นอย่างนี้ครับโอ้ชัดเจนเลยครับ ม, มีคําถามต่อเนื่องจากคุณนิปุะปะนะครับคบานครับถามว่านั่งสมาธิแล้วไม่เกิดความสุขเลยมีแต่ความวางเฉยเลยทําให้ไม่อยากนั่งจะแก้อย่างไรครับอ่านี่ไงที่เราพูดถึงตอนต้นว่าคุณต้องยอมรับนะว่านั่งสมาธิเนี่ยบางทีมันก็เป็นไปนอย่างนั้นบางคนนะนั่งสมาธิหกสิบนาทีอย่างเงี้ยมาถงมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งอายุสิบหกก็แบงแบงปันกับอาตมาบอกว่า ผมตั้งสมาธิผมไม่สงบเลยอลมาถามคําว่าสงบสักสองนาทีไหม <c oughs> เขาบอกไม่เลยครับนาทีหนึ่งไหมไม่เลยครับ <c oughs> สักสิบวินาทีมีไหมได้ครับสิบวินาที <c oughs> เขาสิบวินาทีนะ <c oughs> นนะเขาทําได้สิบวินาทีประมาณนี้ <c oughs> ค, คือเข า, าเล่าให้ผมาฟังครับ <c oughs> เขาก็ถามว่าสิบวินาทีคุณทําได้อมันดีนะคือเราต้องยอมรับเงื่อนไขที่ว่าเราไม่ได้ทำได้ทั้งหกสิบนาทีแน่นอนถ้าเราเพิ่งมาเริ่มฝึก มันก็จะมีไปอย่างงู้นไปอย่างนี้อาจจะไม่ใช่แค่วุ่นวายเฉยอาจจะสงบแบบลึกไม่ลึกหรืออาจจะไม่สงบหรืออาจจะเป็นอย่างอื่นเป็นยังไงเป็นอะไรก็เอวางเฉยหรืออะไรเป็นไปได้หมดเราต้องยอมรับตรงนี้ไงว่าจิตเราบางทีมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราต้องการคุณต้องยอมรับเงื่อนไขนี้ตั้งแต่วันแรกที่คุณมานั่งหลับตาดูหลังตาแหลมใช่ครับถ้าเรามายอมรับตรงนี้ได้เรามันจะอะไรจะเกิดเราเราก็จะค่อยแก้ไขไปได้ครับ ซึ่งหลายๆคนที่มานั่งสมาธิบอกว่าไม่นั่งหรอกมันฟุ้งตลอดไม่นิ่งเลยไม่ใช่ไม่ถูกคุณหมดโอกาสละสมมติว่าถ้าเรานั่งสมาธิสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยแล้วคุณจิตสงบสองนาทีนะสองนาทีเนี่ยถ้าคุณไม่นั่งสาสิบนาทีนะสองนาทีคุณก็ไม่ได้จริงครัคือสมมติเราไม่สงบยี่ดนาทีสงบแค่สนาทีใช่ป่ะเราไม่นั่งไม่นั่งหรอกไม่สงบตั้งยี่ิบแปดนาทีถ้าโหวตกันยี่สบแปนาทีก็ชนะเอางี้แล้วกัน2นาทีแกอย่าเอาเลย คุณคิดผิดเลยคุณคิดผิดเลยนะไม่ได้หรือมันไม่เหมือนเลือกตั้งที่ว่าเอฝ่ายไหนชนะฉันเอาฝ่ายนั้นไม่ใช่นะเราจึงต้องทวนกระแสไงไม่ใช่ว่าคนมากรักไปแล้วมันจะดีนะก็บ่าเอ้ยคุณต้องทำอย่างนี้เอ้าก็มันมันผิดสีห้าเราก็ไม่ทำซะในต่อให้ทุกคนพูดว่าคุณต้องทําอย่างนี้ว่าเราก็ไม่ทําหรอกเข้าใจไหมเราจึงหลีกเลี่ยงอาชีพที่มันจะต้องเป็นอย่างนั้นหรือหลีกเลี่ยงในสถานการณ์ที่มันจะต้องเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นคือถ้าจิตเราไม่สงบคุณไม่สงบกี่นาที คุณมีที่สงบไหมอ่าคุณมีที่สงบคุณสนใจตรงนั้นคุณจะทําให้มันโตขึ้นได้ในอย่างต้นไม้เนี่ยนะครูเช้าให้ปลูกน้ํารวนดินรดน้ํำคือค่อยๆปลูกในเวลาคุณปลูกต้นไม้คุณไปสนใจอะไรสนใจที่ต้นไม้นะไม่ได้สนใจที่สภาพอากาศแรงหรืออะไรคือเราก็แก้ไขไปตามเหตุเพราะนั้นเราอะไรที่ดีเนี่ยเราค่อยรดน้ำพรวนดินทำให้มันดีโตขึ้นแล้วอีกประการหนึ่งก็คือว่านั่งสมาธิเนี่ยมันต้องเห็นนะหมอละพงษ์ คือเห็นในที่นี้เนี่ยเห็นอะไรไม่ใช่เห็นรกสวรรค์เห็นสวรรค์นาคหรืออะไรอย่างนี้นะนั้นคือคือเห็นแต่ว่าถ้าเพลิดเพลินไปก็ชื่อว่าหลงละเิงไปไม่ใช่ว่าเห็นแต่เป็นความเพลินเป็นความทุกข์นะที่ที่เห็นเนี่ยคือต้องเห็นตามที่เป็นจริงยังไงเรียกเห็นตามที่เป็นจริงก็คือเห็นได้เจ็บอ่าเห็นตามที่เป็นจริงคืออย่างที่เราพูดไปแง่มุมเจ็ดแง่มุม <น>ที่เห e ็นก็คืออะไรตัวมันคืออะไรความดับของมันคืออะไรนะถ้าไม่นถึงความดับคืออะไรนะแล้วก็มันมีแง่มุมไหนบ้างมีประมาณต่างๆอย่างไรอย่างเงี้ยมีประโยชน์อะไรมีโทษอะไรทัร้งหมดเจอย่างเห็นเจอย่างนี้เนี่ยนะชื่อว่าเห็นตามนี้เป็นจริง<อ>คือเห็นตามนั้นยอมรับได้ว่าเออมันดีก็มีมันไม่ดีก็มีอันนี้แชรว่าคุณเห็นแล้วนะว่าโทษมันก็มีนะสุขมันก็มี แต่รประโยชก็มันก็มีโทษของมันก็มีแต่โทษของมันก็มีคุณเห็นตามตาแล้วว่าเอ๊ะทำไมมันมีความสุขบ้างมันไม่มีความสุขบ้างฮ่คุณเห็นแล้ว เ, เห็นแล้วแต่ไม่ยอมรับไม่ได้ก็นี่ไงล่ะคื อ, ค อ, คอยังไม่เห็นนะั่นแหละวันนั้ น, นเถอะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องให้มารู้เรื่องนี้คือเห็นเนี่ยแหมบมงคนคิดว่าเอ้ยฉันไม่เห็นเห็นอะไรเลยไปมันั่งหลับตาดูหนังตาอะไรไปดูหนังทีวีดีกว่าอย่างงี้นะใช่ค่ะซึ่งจริงๆมันต้องเห็นเนี่ยมันต้องเห็นตรงนี้ เห็นตรงก็เห็นตามที่เป็นจริงเห็นความเกิดดันความเปลี่ยนแปลงยอมรับความเปลี่ยนแปลงนั้นได้อย่างเงี้ยโหนี่มันไม่ใช่ธรรมดานะเป็นสภาวะหนึ่งในความอัศจรรย์ของจิตของพระเจ้าความอัศจรรย์ของจิตของพระอรันนะโอ้พระเจ้าใครตรัสไว้ใช่ที่เห็นว่าเวทนาเกิดขึ้นเวทนาตั้งอยู่เวทนาดับไปสัญญาเกิดขึ้นสัญญาตั้งอยู่สัญญาดับไปนีไอ้พวกเนี้ยเห็นตรงเนี้ยโหเป็นมาศจรรย์นะใช่ครับมาศจรรย์ในจิตของเราที่เพราะฉะนั้นถ้าคุณเห็นความวางเฉยคุณเห็นความวางเฉยดับไปไหม คุณเห็นความสุขคุณเห็นความวังความสุขนั้นดับไปไหมเห็นแค่นี้เองเห็น <Hey, S 2> แล้วไงเห็นบ่อยๆ่อยเห็นบ่อยบ่อยแล้วอะไรเราจะยอมรับได้เรายอมรับได้นั้นถูกต้องแล้วก็เลยเห็นตามที่เป็นจริงโอ้นี่เขาเรียกวิปัสสนาเลยนะถูกต้องถูกต้องครับคนบางคนไม่เห็นเลยไม่สามารถแยกความสุขไม่สามารถแยกความวังเฉยออกจากกันได้มันก็เหมือนเหมือนกันสิฉันสงบใช้คำว่าอย่างนี้ครับอ่าโหคุณแยกได้ขนาดนี้นี่ดีดแล้วนะ ครับอืมืก็ต้องคือเป็นกําลังใจให้คุณนิปุนธะครับใช่ทำาดีครับมีความเปลี่ยนตอบไปแล้วนิปุนะนี่เป็นชื่อที่ดีนะศาสตคือเป็นชื่อไวโพ์ของนิพานอ๋อนิปุณธแปลว่านิพานเป็นไวโพสของคำว่านิพานไวโพสอ๋อนิพุณธนี่แปลว่าสิ่งละเอียดอ่อนสําหรับการศึกษาและปฏิบัติที่ไม่มีสิ่งอื่นยิ่งไกว่าโอ้สาธุครับสาธุก็คงจะปฏิบัติเพื่อนิพานน่นแหละจำเลยถ้าต้องการปฏิบัติเพื่อนิพานเราต้องเห็นตรงนี้ คือไม่ใช่เห็นความสุขหรือไม่ใช่เห็นความวางเฉยแต่เห็นแม้ความสุขความวางเฉยเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเห็นความทุกข์ของมันเห็นความโทษของมันเห็นประโยชน์ของมันเห็นแง่มุมต่างๆ่ของมันเห็นอย่างเนี้ยถึงจะถูกไม่ใช่แค่ความสุขกับความวางเฉยเท่านั้นนะเห็นทุกอย่างเลยคุณเห็นอะไรมาคุณเห็นอย่างนี้ได้ไหมเอาใหม่นมีอะไรปรากฏขึ้นมาคุณเห็นอย่างนี้ได้ไหมมีอะไรปรากฏขึ้นมาคุณเห็นอย่างนี้ได้ไหม เข้าใจไหมสมมติมีอดีตปรากฏขึ้นมาคุณเห็นอย่างนี้ได้ไหมมีอนาคตปรากฏขึ้นมาคุณเห็นอย่างนี้ขึ้นไหมมีแสงปรากฏขึ้นมาคุณเห็นอย่างนี้ได้ไหมมีความเมื่อยปรากฏขึ้นมาคุณเห็นอย่างนี้ได้ไหมมีเรื่องอนาคตปรากฏขึ้นมาคุณเห็นอย่างนี้ได้ไหมเห็นความไม่เที่ยงของมันเห็นฟ้าจางคลายดับไป่เห็นโทษเห็นประโยชน์เห็นเหตุเกิดเห็นความดับเห็นวิธีการนําออกเห็นสักอันใดหนึ่งในเจอย่างนี้ในทุกสิ่งที่ปรากฏขึ้นมานี่แหละเห็นตามด้วยเป็นจริง โอ้โออันนี้เป็นเรียกว่าคีย์คีย์เวิร์ดแล้วจะนำเราไปสู่ความเป็นนิพุนาได้ครับคือหมดสิ้นราคะโทสะและโมหะครับอโอ้โออันนี้ก็โอ้ชัดเจนลึกซึ้งเป็นในวันนี้ เราได้พูดเรื่องอะไรบ้างหลายเรื่องเรื่องการแบ่งปันเรื่องปฏิบัติการถึงขั้นสุดของมนฑพงแล้วก็เพื่อนที่ร่วมปฏิบัติด้วยกันครัหลายท่านเราก็ได้โยงไปถึงเรื่องของการยอมรับเรื่องความทุกข์ยอมรับเรื่องความทุกข์เข้าใจความทุกข์แล้วก็อย่าประมาทเราได้พูดถึงเรื่องความไม่ประมาทความที่ต้องคอยเป็นผู้ที่เข้มงวดอยู่อย่างเสมอสม่ำเสมอออกภาษาแล้วสิ้นปีแล้วเราเข้าสู่เบอร์มันแล้วให้มีความเข้มงวดอยู่อย่างต่อเนื่อง แลวเราก็ได้ตอบปัญถาตอบคำถามของท่านผู้ฟังด้วยเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติครับก็วันนี้สมควรแก่เวลาครับแล้วก็ค่อยพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปครับกลบขอบพระคุณพระอาจารย์ภัยบูลอภิปุโนแห่งวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีครับยืนพรนกลับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ